เมาานฟังแล้วก็ต้องทำนะฟังเราไม่ได้ทำก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ดีไม่ดีเกิดถน่งตัวรู้เยอะธรรมะเราเรียนต้องลดละกิเลสได้ถ้าเรียนแล้วกิเลสไม่สะเทือนถือว่าล้มเหลวแล้ว ยิ่งถ้าเรียนแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นย่งหย่ใหญ่บางคนภาวนาแล้วก็กูเก่งกูเก่งบทีเก่งกว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้ถือว่าล้มเหลวมากนะเราพยายามศึกษาเราลงมือปฏิบัติให้เข้าใจพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเนี่ยมี วัตถุประสงค์ชัดเจนเราศึกษาเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกพลนุกสิ้นเชิงงั้นเวลาเราลงมือปฏิบัติเนะเราอย่าลืมวัตถุประสงค์หลักต้องทำไปเพื่อความสิ้นทุกขไม่ใช่ทำไปเพอ่พูนกิเลสขึ้นมา จะสิ้นทุกได้ก็ต้องสู้มากต้องต่อสู้คนแต่ละคนไม่ใช่ว่าศึกษาธรรมมาแล้วทุกคนจะบรรลุมาผลนิพพานในชีวิตนี้ส่วนน้อยบรรลุไปส่วนมากเ็สาสะสมบุญบารมีไปแต่คนส่วนใหญ่สะสมบาป ไม่ค่อยสะสมบุญบา ร, รมีอะไรเท่าไหร่คนเรานั้นก็ปล่อยไปศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่คนทั้งหมดจะเข้าใจได้เป็นศาสนาของคนที่มีปัญญาจริ ง, รงๆที่จะเข้าใจได้นั่นเราก็ดูถ้าเราเห็นว่าเรามีกำลังมีโอกาส ที่ทำที่สุดแห่งทุกได้เราก็ทำถ้ายัางไม่ได้เราก็สะสมบุญบารมีของเราไปยังเป็นพระตั้งอกตั้งใจรักษาศีลรักษาพระวินัยไว้ศึกษาปริยัติก็ยังดีทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ถ้าเป็นฆราวาดภาวนาได้ก็ภาวนา จริงๆแล้วมรรคผลนผิพพานไม่ใช่เรื่องเฉพาะของพระคารวะก็บรรลุมรรคผลได้การทำที่สุดแห่งทุกข์นยากหน่อยสำหรับคารวะแต่ก็มีดูในพระไตรปิฎกก็มีหลายท่านที่เป็นคารวะท่านตึ่ที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างพระเจ้าสุโธท น, นะสีหา ม, มาตอะไรพวกนี้เป็นคารวะ เราทำที่สุดแห่งทุกได้บารมีเขาเต้มนี่คนทั่วๆไปชาวบ้านธรรมดารรมดาเนี่ยจะเป็นชาวพุทธที่ดีก็มีพวกจริยธรรมอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดีก็ทำอะไรที่ท่านว่าไม่ดีก็ไม่ต้องทำมีอย่างมีศีลท่านสอนให้มีศีลหา้าก็รักษาไป รักษาศีลห้าไม่ใช่เพื่อพระพุทธเจ้ากะเพื่อตัวเองนั่นแหละคนมีศีลชีวิตมันก็ร่มเย็นเป็นสุขคนไม่มีศีลมันก็เดือดร้อนอย่างไปกินเหล้าเมายาอะไรนะมีโรคระบาดมาก็ติดก่อนคนอื่นเค้าเพราะมันไปรวมกลุ่มกันถ้าเราสนใจการปฏิบัติถึงจะเป็นครวาสเนีย หมดเวลาทํางานเรากลับบ้านเราภาวนาของเราไปทุกวันทุกวันเก็บเล็กเก็บน้อยไปหลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นตามบิ็นโยมเลิกงานแล้วก็กลับบ้านถ้าไม่มีธุระต้องไปที่อื่นกลับบ้านแล้วก็ภาวนาทุกวันคนทึ่งเติบโตมาพร้อมๆกับเราะพร้อมๆกับหลวงพ่อเนี่ย แต่ที่เขาไม่สนใจการปฏิบัติอย่างญาติพี่น้องอะไรเนี่ยเพื่อนฝูงตั้งแต่เด็กๆเขาไม่สนใจเพื่อนไหนที่ทำงานน้อยคนจะสนใจนหลวงพ่อไม่สนใจหรอกว่าใครจ ะ, จะสนใจการปฏิบัติธรรมไหมหลวงพ่อปฏิบัติของหลวงพ่อไม่ใช่ต้องตามเพื่อนผ่านวันผ่านเวลามารุ่นเดียวกัน จำนวนมากก็ตายไปแล้วบางส่วนยังไม่ตายเป็นตาแก่เป็นใหญ่แก่ชีวิตที่ดิ้นรนแย่งชิงกันมานะแทบจะไม่มีความหมายเลยเคยใหญ่เคยโตถึงวันนี้กนเกษียณไปนะก็ไม่ใหญ่ละมันทำให้เห็นนะถ้าเราอยู่กับโลกถ้าเราไม่หลงระเริง ไม่เพลิดเพลินไปกับโลกเรามองไปรอบๆตัวเราเราก็จะเห็นธรรมะธรรมะที่อยู่ประจาโลกนี่ก็โลกกธรธทรมีแปดประการมีลาบก็เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขแล้วก็มีทุกธรรมะแปดข้อนี้เป็นของประจาโลกจะชอบหรือจะไม่ชอบ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยหายไปไหนเขาอยู่ประจำโลกอยู่อย่างนี้แหละคนซึ่งเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะนะเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมดีๆไม่มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีๆหรือว่าเขาไม่สนใจไม่มีของเก่าไม่มีต้นตุนที่จะปลูกเร้าให้สนใจการปฏิบัติเขาอยู่กับโลกเขาก็อยากได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สุข ลาบก็คือผลประโยชน์อยากได้ผลประโยชน์พอเสียผลประโยชน์เราไม่ชอบอยากได้ผลประโยชน์อย่างเดียวตรงที่อยากได้ผลประโยชน์นะใจก็ดิ้นรนละใจดิ้นรนเมื่อไหร่ใจทุกเมื่อนั้นแนหะตรงที่กลัวที่จะเสียผลประโยชน์ใจก็ดินน้นรนใจก็ทุกอีกแต่ถ้าคนซึ่งมันเห็นความจริงนะมีโอกาสทำมาหากินได้เงินได้ไดทองอะไรก็ทํา เป็นคารวาดไม่ใช่ต้องอดอยากๆนะรวยได้ก็รวยแต่ไม่ได้รวยในทางที่ผิดมีโอกาสทามาหากิ น, นมีรายได้ดีก็รู้จักบริหารจัดการพระพุทธเจ้าก็สอนส่วนหนึ่งไว้บริโภคใช้สอยนะเลี้ยงดูคนในความดูแลของเราเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียอะไรพวกนี้เด็ดนี้ต้องเลี้ยงสามีด้วย รู้จักเก็บออมรู้จักลงทุนท่านสอนไว้ทั้งนั้นเนี่ยงั้นธรรมะในโลกนะพระพุทธเจ้าท่านก็เมตตาไม่ใช่ว่าจะสอนธรรมะเพื่อพ้นโลกทุกคนหรอกคนที่อยู่ไปจำโลกท่านก็สอนให้รู้จักธรรมะของโลกอย่างเรามีลาบมีโอกาสท ร, รมาหากินร่ำรวยมาก็ทำไปแต่รู้จักเก็บออมรู้จักลงทุน รู้จักคบคนที่ดีกัลยาณมิตรแล้วคบคนไม่ดีนะรวยแค่ไหนก็หายนะเนี่ยธรรมะที่จะทำให้เราอยู่กับโลกสบายๆแต่เราต้องรู้อย่างหนึ่งมีลาบวันหนึ่งก็เสื่อมลาบได้อย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนนึกไม่ถึงธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่ อยู่ๆพังทลายอย่างสายการบินเนี่ยล้มละเนรนาศไปทั่วโลกเลยใครจะนึกถึงว่าอยู่ๆมันจะเป็นไปได้อย่างนั้น <te marks. S 1> การผลิตรถยนต์การผลิตอะไรนะเสียหายหมดเลยเคยขายน้ำมันร่ำรวยคนใช้น้ำมันลดลงพรวดพลาดลงไปบริษัทน้ามันเจ๊งก็มีเ น, น, นี่ยเคยมีราบฟู้าอุดมสมบูรณ แล้ววันหนึ่งสถานการณ์มันพลิกแบบนึกไม่ถึงนะพังทลายลงไปธุรกิจของหลายๆคนล่มสลายโอกาสที่จะพลิกฟื้นมาทําธุรกิจอย่างเก่าก็ยากก็ต้องมองรู้ทางธรรมหาจินใหม่ๆอันนี้ก็เข้ากับธรรมะที่พระทเจ้าสอนนะรู้จักการลงทุนไม่ใช่ไม่ใช่เล่นการพนันนะบางคนบอกลงทุนเป็นการเล่นการพนันอะไรเงี้ย ไม่มีทางนะการพนันปเป็นอบิยมุกเป็นทางเสื่อมไม่มีทางเจริญหรอก น, นเราถ้าเรารู้จักนะมีธรรมะเตือนตัวเองอยู่ช่วงนี้เราทำมาหา ก, กินได้ดีเรามีลาบเราต้องรู้โอกาสเสื่อมลาบสูญเสียผลประโยชน์นั้นมีอยู่เสมอเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนะทำกิจการรุ่งเรืองแล้วพังโครมลงไปเนี่ย เราจะเห็นว่ามันธรรมดานีถ้าเราเคยมีธรรมะคือรู้จักอดอมเราก็ยังพอประคองตัวได้ในช่วงวิกฤตได้แล้วก็มองหาลู้ทางธรรมาหากินต่อไปเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นเลยนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่ว่ามีปัศนากรรมฐานอย่างเดียวแต่คนซึ่งมีสติปัญญามีบุญบา ร, รมีพอต้องการพ้นทุกข์ ก็จเจริญสมถ ะ, ะเจริญมิปัสสนาด้วยสติปัญญายิ่งไม่ใช่ทำโง่โง่งทำแบบมีสติมีปัญญาคนที่จะอยู่กับโลกก็เรียนธรรมะ ส, สำหรับโลกรู้ว่ามีผลประโยชน์ได้ก็เสียผลประโยชน์ได้ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่แสดงความไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งหมดเห็น ไ, ไหมในโลกนี้ก็แสดงธรรมะชั้นสูงเพือแสดงไตรลักษณ์อยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาเรานี้แหละ เพียงแต่ว่าคนในโลกมันหลงระเริงช่วงไหนหาเงินได้มากนะก็ถลุงเลยใช้เงินอย่างเพลิดเพลินหลวงพ่อเคยอ่านเป็นคล้ายๆคำสา ร, รภาพของพระเอกหนังคนหนึ่งพระเอกหนังไทยนี่แหละบอกว่าตอนที่รายได้ดีเนี่ยนะเคยใช้เงินมาละล้านมีความสุขมากเลยตอนอายุเยอะขึ้นไม่มีใครจ้างเล่นหนังแนละ้ว มาอดครวรขอให้คนช่วยจ้างเล่นหนังมนไม่มีรายได้อะไรเงี้ยอันนี้เขาดำรงชีวิตด้วยความประมาทไม่ได้อยู่ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้ามีรายได้มากก็ยิ่งถลุงอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยมันหลงระเริงอย่างบางคนเล่นหุ้นได้เงินเยอะใช่ไหมก็ถลุงแหลกเลยบริโภคกระเป๋าใบเองเป็นล้านๆก็ซื้อมาใช้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร บริพกไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าไม่ได้คิดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเราเป็นชาวพุทธนะเราไม่หลงระเริงมีโอกาสทำมาหากินก็ทำมีโอกาสารวยก็รวยนะแต่ไม่ทุจริตรวยอย่างทุจริตนะนก็ได้ประโยชน์ในเฉพาะหน้านี้อนาคตเสียหายเสียหายบางคนก็เสื่อมไปหมดเลยนะติดคุกติดตารางไม่ต้องพูดถึงชีวิตหลังความตายหรอก อย่างเราก็เห็นตัวอย่างใช่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาหาเงินได้แย่ๆเลยหาเงินได้แย่ๆนะสุดท้ายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เงินทองไม่ได้นำความสุขมาให้นะบ้านเมืองก็ไม่ได้อยู่ของตัวเองไปอยู่ที่อื่นไม่ได้มีความสุขจริงนี่ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเราไม่ประมาททำมาหากินสุจริต ได้เงินรู้จักอด อ, อมรู้จักต่อทุนต่อยอดไปดูรู้ทางและที่สำคัญต้องรู้จักคบกัลยาณมิตรคนซึ่งแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์เรียกว่ากัลยาณมิตรถ้าเรารู้จักคบคนอย่างนี้นะชีวิตเราก็จะก้าวหน้าได้เนี่แค่เรื่องธรรมะนหนึ่งของโลกนะคือมีลาบก็เสื่อมลาบได้มียศก็เสื่อมยศได้ มีน้อยคนนะที่ว่าไม่เสื่อมยน่นแต่ก็ไม่จริงหรอกสุดท้ายก็หมดไปอย่างบางคนเป็นจักรพรรดินะอย่างพระเจ้าอาโศกเนี่ยเป็นจักรพรรดิถึงจุดหนึ่งก็ไม่ได้เป็นไม่มีใครมาแย่งอำนาจแต่ว่าสังขารร่างกายไม่หน่วยหมดอายุไขถัดจากจักรพรรดิเนี่ยไปเกิดถ้าจะไม่ผิดนะไปอ่านเจอ ไ่เกิดเป็นเป็นสัตว์ตัวอะไรจำไม่ได้แม่นนลแล้วก็ลูกลูกท่านเป็นพระอรหันต์พยายามปรดสัตว์ปรดพ่อเอเอาตัวรอดขึ้นมาได้ทาไมทำคุณงามความดีตั้งเยอะยังพลาดได้เขาเพราะว่าคนเราไม่ได้ทำดีตลอดมันก็ทำชั่วมาบ้างดีกับชั่วมันคละคป้าปานกันมา ตอนจะตายนะั่นแล้วแต่ว่ากรรมตัวไหนมันจะให้ผลเราเลือกไม่ได้หรอกกรรมมันจัดสรรเองมียศเคยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ไม่เป็นใช่ไหมหรือเคยเป็นขุนนางใหญ่เป็นเจ้าขุนนนเจ้าขุนนี้ถึงจุดหนึ่งก็ตายคนอื่นก็มาเป็นแทนนั้นมีตําแหน่งหน้าที่นะเคยเป็นประหลัดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ ถึงจุดหนึ่งอย่างมากเขาก็บอกอดีตประลัดกระรวงคำว่าอาดีตประลัดกระรวงก็คือไม่ได้เป็นประลัดกระรวงเนี่ยมียศมันก็เสื่อมบางคนไม่เข้าใจตรงนี้ดิ้นรนแสวงหายศนะอยากได้ตำแหน่งซื้อตำแหน่งเอาบ้างปัดแข้งปัดขาคนอื่นบ้างคิดว่าจะนำความสุขมาให้ ตัวเองปัดแข้งปัดขาคนอื่นขึ้นไปหรือซื้อขึ้นไปนะตลอดเวลาที่ครองตําแหน่งอยู่ใจก็กงังวลว่าคนอื่นจะมาปัดแข้งปัดขาตัวเองบ้างไหมอย่างที่ตัวเองเคยทําคนอื่นจะมาซื้อตําแหน่งแทนไหมอย่างที่ตัวเองเคยทำํำเนี่ยมีขึ้นมานะไม่ได้มีความสุขจริงหรอกบางคนมาหาพระนะมาขอพรขอให้ได้เลื่อนตําแหน่งอะไรเงี้ย เดินไปก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขอยู่ที่การกระทําของเราเองเป็นหลักเคยมีนายทหารคนหนึ่งนะไปจัดพิธีพุทธาพิเศษน่นจาจะที่วัดสุทัศน์อันนี้นมนต์พระมาเยอะเลยพระเกจิดังๆมามีองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่เที่ยงวัดม่วงชุมอยู่ที่เมืองการ องค์นี้ยุคหนึ่งท่านก็ดังมากในทหารนี่ก็เข้าไปหาท่านหลังจากเสร็จพิธีแล้วไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมเป็นพันเอกมานานแล้วไม่ได้เป็นในผลสะทีขอพอรหลวงปู่ช่วยให้ผมได้เป็นในผลครับหลวงปู่ท่านมองหน้าบอกมึงโง่อย่างเนี้ยมึงถึงไม่ได้เป็นอยากได้ตำแหน่งก็ไปขอนายหรือมาขอพระได้ยังไงดูท่านฉลาดไว้ คนนี้ได้สติแล้วไม่ขอนายก็ได้เป็นในพลจะเป็นในพลอยู่ไม่นานก็เกษียะก็เป็นอดีตอีกล่ะสุดท้ายนั้มียศขึ้นมาสุดท้ายมันก็เป็นอดีตของยศทั้งนั้นเลยอย่างเพื่อนหลวงพ่อนะเป็นอธิบดีเป็นเอกอัครราชทูตเป็นโน้นเป็นนี่กันนะถึงวันนี้ก็เป็นข้าราชการบมนาญก็เป็นอดีตไปหมดละ งั้นถ้าเรารู้จักความจริงนะว่ายศทั้งหลนะมันก็ของไม่ยั่งยืนได้มาได้ยศแล้วเราไปทำประโยชน์ได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นได้อันนั้นเป็นประโยชน์นะถึงเราจะอยู่ในตำแหน่งไม่นานแต่เราได้สร้างคุณงามความดีอะไรเงี้ยคนมีอำนาจมีโอกาสทำดีมากมีโอกาสทำชั่วมากอยู่ที่ตัวเองเลือกงั้นเรามียศขึ้นมา ด้วยความสุจริตของเราเนะี่ยทำความดีไปอย่างเป็นตํารวจนช่ไหมเคยเห็นเขาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอะไรกันเคยเห็นอยู่ว่าตำรวจคนนี้ไปช่วยคนแก่แม่ค้าหากของแก่ๆจะข้ามถนนอนะไรเงี้ยไปช่วยเขาหาักจูงยายข้ามถนนอนะไรเงี้ยอย่างนี้คนก็สรรเสริญสร้างความดีไปถ้าเป็นตํารวจแล้วก็ ตั้งด่านรีดไถอะไรนะคนก็ไม่สาระเสวนออกไม่นา น, นหมดอำนาจต่ย้อนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำนันเศร้าหมองนในขณะที่เรามีอำนาจอยู่เราทำความดีนะหมดอำนาจแล้วเรานึกย้อนหลังไปเรายิมวิมใจไม่เหมือนกันคุณค่ามันต่างกันมากเลยนั้นเราก็ต้องรู้นะยศเป็นของเหมือนหัวโขนอะ สวมได้ก็ต้องถอดไม่มีใครสวมหัวโขนไปตลอดหรอกถึงเวลาก็ต้องถอดออกไปงั้นเวลาสวมเราก็สวมหัวโขนแล้วก็แสดงบทบาทให้มันดีก็มีความสุขได้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสานว่าทุกคนต้องไม่มียศนะมียศได้ก็มีไม่ใช่ไม่มีเหมือนรวยได้ก็รวยไม่จาเป็นว่าต้องไม่รวยหรอกแต่รวยให้เป็นมียศให้เป็น เนี่ยท่านสอนธรรมะประจําโลกนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสา ร, รเสริญสังเกตไหมว่าตัวนี้มันกลับข้างกับคนอื่นอันแรกเป็นส่วนดีนะมีลาบแล้วเสื่อมลาบลาบมันดีใช่หไหมเริ่มจากดีมียศในส่วนดีแล้วก็หมดยศไปเสื่อมยศนะพอมาถึงสา ร, รเสริญกับนินทาถ้าไม่เริ่มจากสา ร, รเสริญนะท่านพลิก นินทากับสารเสริญทำไมนินทากับสารเสริญเอาเริ่มนินทาก่อนในโลกเนี้คำสารเสริยกับคำนินทาอะไรมีมากกว่ากันใครๆไม่ถูกนินทามีไหมไม่มีหลวงพ่อกล้าพูดเลยว่าในโลกนี้คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีหลวงพ่อรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ในโลกนี้คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มี คนที่ได้รับคําสรรเสริญนี่น้อยเต็มทีนะที่สรรเสริญแต่ประจบสอบพอเนี่ยไอ้นั่นไม่นับว่าสรรเสริญจริงหรอกนะไอ้นั่นคือประจบสอบพ อ, อย่างเขาเป็นใหญ่เป็นโตนะท่านอย่างโน้นท่านอย่างนี้นะท่านเก่งอย่างโน้นท่านฉลาดอย่างนี้ท่านดีอย่างนั้นเขาประจบสอบพลอเพื่อหาผลประโยชน์เขาไม่ได้สรรเสริญด้วยใจนีบางคนมีอํานาจขึ้นมานะคนสรรเสริญ ก็ต้องดูนะว่าเขาเสริญด้วยใจหรือเปล่าหรือเขาวังผลประโยชน์นี่ในโลกนี่เต็มไปด้วยคำนินทาถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้เราจะทุกข์นะอย่างทีมงานของหลวงพ่อเนี่ยทุ่มเททำไรสดนะทำกันเข้มแข็งมากเลยลงค ล, ลงแรงเหน็บเหนื่อยมีคนมาบอกเสียงไม่ชัดนะเสียงไม่ชัดเนี่ย เขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นนินทาด้วยซ้ําไปนะนี่เขาเรสปอนส์บอกว่าวันนี้เสียงไม่ชัดหน่อยเรามาปรับแก้อย่างนี้เราได้ไประโยชน์ถ้าเราใจเสียตายแล้วเขาว่าเราเราทํางานแทบตายแล้วมันนินทาเราอย่าเงี้ยหรือที่แม่ครัวนะที่แม่ครัวก็มีคนสรรเสริญก็มีคนนินทาสารรเสริญก็โอ้ดีจังเลยนะบุษราเสียสละมาช่วย ทำอาหารให้วัดดินทาก็มีไม่อร่อยเลยนี่ทีแ่แ้กก็ชมว่าอร่อยนะพอชมว่าอร่อยแม่ครัวก็ได้กําลังใจทําบ่อยๆอะไรที่กินบ่อยๆไม่อร่อยหรอกนะ <c oughs> เราก็โอ้ยมาว่าเราอีกแล้วไอ้นอนท์ก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบนะนย <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ คนมันชมบ้างคนมันตำหนี่บ้างส่วนใหญ่ตำหนีอ่อ่ะชมไม่ค่อยมีหรอกทำไมคนไม่ค่อยชมกันเพราะคนมันอิจฉาใครเขาดีมึงก็อิจฉาเขาไม่ไปชมก็ทำไมเนี่ยถ้าเราเข้าใจโลกนะเราถูกนินทาเนี่ยเราไม่หวั่นไหวถือเป็นเรื่องปกติคนสารเสริญก็เป็นเรื่องปกติอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆเกนะี่ยเรียนหนังสือก็เก่งนะ เราทำกิจกรรมอะไรได้แปลกๆเราทำอะไรขึ้นมากิจกรรมพิเศษต่างๆคนก็ชมเราฟังยินชินนะฟังเล้วเฉยๆใจมันคงเคยภาวนามาเยอะนะใจฟังเขาชมก็เฉยๆนะฟังเขาว่าก็หูดหงิดเล็กๆนะอเขาว่าเรื่อยๆเฉยๆเฉยๆธรรมดาวะ ถ้าจะแก้ปัญหาคนถูกนินทาด้วยกิเลสเราก็นึกสิโอวยเราต้องมีดีนะ่ะเขาถึงจะนินทาอันนี้แก้ด้วยกิเลสนะกลายเป็นยกตนข่มท่านโอยเราถูกนินทาเพราะเราดีกว่าเขาถ้าเราเลวกว่าเขาเขาไม่นินทาเราหรอกอันนี้ก็ไม่จริงบางคนทำตัวไม่ดีชาวบ้านก็นินทาลูกบ้านนี้ไม่ได้เรื่องเลยติดยาอะไรอย่างเงี้ย คนก็นินทางั้นนินทาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรามีธรรมะเราก็รู้ว่าคำสรรเสริญคำนินทามันออกจากปากคนแต่มันมาสะเทือนที่ใจของเราถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนะคำสรรเสริญเกิดขึ้นใจเราฟูเรารู้ทันคำนินทาเกิดขึ้นใจเราแฟบเรารู้ทันใจเราเป็นกลางต่อคาสรรเสริญและคานินทาอันนี้เป็นวิธีสุดยอดเลยนะเป็นวิธีของนักปฏิบัติ วิธีอย่างชาวโลกก็ทนเอาไม่มีใครปรอบตัวเองไม่มีใครหลอกที่ไม่ถูกนินทาเนี่ยพระพุทธเจ้ า, าสอนอย่างนี้แล้วก็ทนต่อการนินทานนี้ใช้ทนเอาทีก็ใช้กิเลสเลยยกตนกมท่านไปเลยนันวิธีต่อสู้คำนินทานะมีเยอะแยะเลยแล้วแต่เราจะเลือกเลือกไปตามสติปัญญาแต่ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทา สวยเกินไปก็ถูกนินทาเป็นไปได้ไหมสวยไปก็ถูกนินทามีหน้าห่ะชอบไปเกาหลีนะความจริงพ่อแม่เขาเก่งนะลูกออกมาสวยนะเราก็หมั่นไส้นะพยายามแต่งเรื่องว่าเขาไปสัญญกรรมมาเนะี่ยสวยด้วยมีดหมอนะมีดอาคมทั้งหลายนะอดนินทาไม่ได้นะทําไมต้องนินทาเขานะนินทาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองมันสบายใจนะ มันสะใจมันสบายใจมันเพิ่มกิเลสของตัวเองไม่เห็นยั้นถ้าเราเข้าใจความจริงของโลกนะเราไม่หวั่นไหวกับคานินทาและคําสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องเจอเขาชอบเขาก็สรรเสริญเขาไม่ชอบเขาก็นินทาก็ แ, แค่นั้นเองมีสุขแล้วก็มีทุกข์ได้ ตัวสุดท้ายของโลกธรรม8ปประการอันแรกมีลาบเสื่อมลาบอันที่สองมียศเสื่อมยศอันที่สามมีนินทามีสรรเสริญอันที่สี่มีสุขแล้วก็มีทุกข์เวลาเรามีสุขอย่าหลงระเริงความสุขสั้นเสมอความสุขมันสั้นเสมอในความรู้สึกของเราเวลามีความสุขเราอย่าหลงระเริงอย่าประมาท อย่างบางคนนะฐานะดีรูปร่างดีหน้าที่การงานดีครอบครัวดีดีหมดเลยนะมีความสุขมากมีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วมีความสุขมหาศาลนะใจบุญด้วยนะชอบทำบุญทอดกริ่นทอดผ้าป่านะสังคมสงเครานะห์อะไรนี้ดีหมดเลยชีวิตนะวันหนึ่งไปตรวจร่างกายนะเป็นมะเร็งแล้ว ความสุขที่เคยมีนะมันหายทันทีเลยนะมีเงิน 100, 000, 000, 000, นะร้อยล้านผันล้านพอเป็นมะเร็งขึ้นมานะ่เสียงเงินเท่าไหร่ก็ยอมนะเหมือนอย่างคนรุ่นเราเนี่ยทํางานเก็บเงินไว้ตั้งมากนะตอนแก่ๆพอเจ็บป่วยเนะ่ยโรงพยาบาลเอาไปกินหมดเลยหลวงพ่อไม่ไม่อยากพูดว่าหมอไปกินหมดโรงพยาบาลนนะเป็นคนรับเงินไปหมอไม่ใช่รับเงินเรา มีเงินก็เอาไปทุ่มทุ่มท่ ม, ทมลงไปนะค่ารักษาตัวเองเยอ ะ, ยะๆเลยมีคนรู้จักกันนะอยู่ทางเมืองการจน์มีที่ดินเยอะยๆเลยรวยมีปั๊มน้ํามันมีอะไรเยอะยะฐานะดีเจ็บป่วยขึ้นมาทีหนึ่งเขเข้าโรงพยาบาลทีหนึ่งหลายสิบล้านขายที่ขายอะไรไปเรื่อยๆคลายๆความเหน็ดเหนื่อยที่ทํามาเนี่ย มันสลายไปในช่วงสุดท้ายเอาไปแลกกับการมีชีวิตรอดบางคนบางข้อเห็นแล้วน่าสลดใจนะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใช้เครื่องปั๊มหัวใจนะคูหมดเลยทั้งตัวเลยนะมีชีวิตอยู่ด้วยการเอาเงินเข้าไปแลกลมหายใจนก็แรกมาด้เงิน หายใจเองไม่ได้แล้วเคยหายใจฟรีนะแต่เป็นนี้หายใจต้องเสียงเงินแล้วต้องปัม๊มออกซิเจนเข้ามาต้องอะไรขึ้นมาความสุขที่มีนะมนันตรทานไปหมดเลยงั้นเราอย่าประมาทนะความสุขในโลกไม่ยั่งยืนหรอกถ้าไม่โหดร้ายอย่างที่หลวงพ่อเล่าไม่ถึงสถานการณ์เลวร้ายว่าจะป่วยจะตายหนักๆอะไรอย่างนี้นะ หรือพิการอนะไรเงี้ยมีชีวิตยอยู่ธรรมดาอย่างนี้แหละเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะเห็นว่าความสุขทั้งหลายไม่คงที่หรอกอย่างเราชอบสาวคนหนึ่งนะได้เห็นหน้าเขาทุกวันทุกวันเราก็มีความสุขแล้วมีความสุขอยู่ไม่นานนละเห็นหน้าแล้วอยากได้มาเป็นแฟนเรานการที่ลำพังแค่เห็นเนี่ยเคยให้ความสุขเราได้ อไปนี้ไม่ให้แล้วอยากได้มาเป็นแฟนหาทางทำให้เขาชอบให้เขาชอบได้เป็นแฟนแล้วอยากได้เขาเป็นเมียอีกและวพออยากได้เป็นเมียนานๆไปนะเบื่ออยากให้ไปให้พ้นอยากเลิกก่อนมันไม่เลิกสติไม่ยอมเลิกกูเกาเราแน่นเหลือเกินลืมไปว่าเป็นกดแห่งกรรมก่อนเราจะแต่งงานกับเขาเราไปจีบเขาเราไปกาะเขาแน่นเลยนะไปเฝ้าเช้าเฝ้าเย็น พอเข้ามาอยู่กับเราแล้วเลยไปื่าเขาก่อเราแน่ น, นมันเป็นกรรมของเราเขาก็กาะเราแน่นเหมือนที่เราเคยก่อเขาแน่นบ้างอันนี้ยังดีบางคนเรารักอยู่แท้ๆนะก็ไปมีกีก๊ก็ได้น ะ, นะยุคนี้ยุคเสรีอะไรอย่างงี้เนี่ยความสุขในโลกนะมันเป็นความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นซึ่งไม่มั่นคงไม่แน่นอ น, นไม่เหมือนความสุขในธรรมะนะ ไม่ได้อิงอาศัยคนอื่นไม่ได้อิงอาศัยสิ่งอื่นแต่อิงอาศัยตนเองเพื่งตนเองได้ภาวนาไปเรื่อยๆพื่งตนเองได้มีความสุขหลวงพ่อนะพูดเต็มปากเลยว่าหลวงพ่อมีความสุขเยอะภาวนามาเรื่อยๆเนีชีวิตมีความสุขอะ่ะแก่ก็แก่อย่างมีความสุขเจ็บก็เจ็บอย่างมีความสุขนะต่อไปก็จะตายอย่างมีความสุขนะเงินอย่างถ้าเรา ดำรงชีวิตถูกต้องเป็นธรรมโลกธรรมแปดประการจะแปรปรวนยังไงเราก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขได้ในทุกๆสถานาการณ์เมือนหลภาพไปอยู่โรงพยาบาลนะวันนี้ก็เจาะโน่นเจาะนีน่ผ่าโน้นผ่า น, นีเจ็บตัวอยู่ทุกวันวันที่ไม่เจ็บตัวนี่แทบไม่มีเลยม็มีแต่เรื่องเดือดร้อน ทางร่างกายเราได้บางทีก็เหนื่อยมากนะไม่สบายเหนื่อยไม่มีแรงญาติโยมก็มาเยี่ยมส่วนใหญ่ก็พวกหมอพวกพยาบาลอนะไรเงี้ยมาเยี่ยมก็คุยกับเขานะเข้าไปแล้วก็รีบลงไปนอนแผลหมดแรงก็ทําสงเคราะห์สงเคราะห์เท่าที่สงเคราะห์ได้ยังมีกําลังอยู่ก็ทําหน้าที่ของเราไป มีคนมาถามว่าหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาล น, นานแล้วคิดถึงวัดไหมเบื่อไหมพ่อบอกหลวงพ่อไม่เบื่อหรอกเบื่อมเป็นโทสะเราไม่รู้จะเบื่อไปทําไมเบื่อเราก็าออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เบื่อเรากรุ่มใจเปล่าๆอย่างเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลเราเบื่อเรากลับบ้านได้ไหมกลับไม่ได้ความเบื่อทําให้เราเป็นทุกข์เปล่าๆนะเพอเราภาวนาเราเข้าใจเบื่อมันทําไมวะอยู่กับมันนั่นแหละอยู่ตรงไหนมันก็ต้องอยู่แหละ อยู่โรงพยาบาลนก็ทุกอยู่วัดมันก็ทุกอย่างอยู่วัดนั่นแหละคนละแบบกันเท่านั้นเองที่ไห น, นก็ทุกเหมือนกันเนียทุกทั้งนั้นน่ะแต่ว่าทุกต่างๆกันไปตามสถานาการณ์เนี่ยพอเรารู้นะสุขกระทุกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องธรรมดาโลกเราก็ไม่หวันหวนหว่นไหวกระสุกไม่หวั่นไหวกระทุกงั้นอย่างเราไม่ได้คิดจะบรรลุมรกคผลนิพพานนะเราก็เรียนโลกกระทำแปประการเนี้ยเราก็หัดปฏิบัติ ให้สอดคล้องเข้าใจมันเริ่มต้นจากเข้าใจโลกธรรมเจริญได้ก็เสื่อมได้ก็เข้าใจแล้วก็ดํารงชีวิตให้สอดคล้องพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วทั้งนั้นอย่างจะลาบยศอะไรเงี้ยท่านก็สอนคาถาที่จะทําให้เป็นเศรษฐีรู้จักธรรมะหากินรู้จักอดอมรู้จักลงทุนนะรู้จักคบคนอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีธรรมะ อันนี้ไปถามหลวงพ่อกูดูอยู่บ้านไปถามหลวงพ่อกูดูแกตอบได้หมดเลยอกตาคนเนี้ยมันรู้มากจริงอยู่ที่เราอ่านแล้วเอามาทำให้ได้นะชีวิตเราจะมีความสุขวันนี้สมควรแก่เวลาน่เทศเรื่องปรมัดมาหลายวันแล้ววันนี้เทศเอาใจชาวโลกบ้างแต่มันก็เจืออยู่ในเรื่องของปรามัดนั่นแหละ